คราวที่แล้วเราก็ได้ฟังมาถึงตอนที่พระเรวัตะได้เดินทางกลับนครราชครื้มุ่งสู่เวลุวนารามสภาพของเวลุวนารามขณะนี้นั้นเงียบเหงาวังเวงพระภิกษุที่อยู่อาศัยก็น้อยรูและส่วนมากจะเป็นภิกษุสูงอายุชราภาพบวชใหม่เมื่อภิกษุเหล่านี้เจอพระเรวัตะก็แสดงความยินดี พระเรวตตได้แสดงธรรมให้หมู่ภิกษุเหล่านี้อาจหารร่าเริงในธรรมรุ่งเช้าพระเรวตะออกบินทบาตตั้งใจว่าเมื่อฉันอาหารแล้วจะจาริกต่อไปขณะท่านบินทบาตอยู่นั้นเจอกับธํามิกอุบาสกเขาได้นิมนต์ให้ท่านเข้าไปฉันในคาเรหาดแล้วธํามิกอุบาสกก็เล่าเหตุการณ์ร้ายต่างๆที่เกิดขึ้น ให้พระเรวตะฟังเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามได้เนื้อบัทนี้ค่ะดูก่อนท่านผู้เจริญเช้าวันลุ่งขึ้นข้าพเจ้าก็าส่งกีวรสภายบาทเข้าไปยังกรุงราชครึเพื่อบินทบาต ตั้งใจว่าเมื่อได้พัตาหารพอสมควรแล้วก็จะออกไปทำพัตถกิจนาที่ใดที่หนึ่งข้างนอกเมืองเสร็จแล้วก็จะออกเดินทางต่อไปตามปรารถนาแต่ความปรารถนาของข้าพเจ้าไม่สําเร็จเพราะขณะที่เดินบินทบาตไปตามถนนนั่นเองได้ไปพบกับธรรมมิกาอุบาสกซึ่งรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนเขาได้นิมนต์ข้าพเจ้าให้เข้าไปฉันพัตาหารในคลือหาด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 เพื่อปลุกปลอบอุบาสกผู้เคยมีอุปการะคุณให้ใคลายทุกข์อย่าวิตกทุกข์ร้อนไปเลยพระบรมศาสดาของเราเคยตรัสไว้ไมิใช่หรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเป็นอันเกิดขึ้นแล้วเรื่องที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่มาถึงอย่าสร้างทุกข์แก่ตัวเองเพราะเรื่องที่ผ่านไปแล้วอย่าวิตกกังวลต่อเรื่องที่ยังมาไม่ถึงให้เอาใจใส่อยู่กับปัจจุบันนี้เท่านั้นว่า เวลานี้เรากำลังทำอะไรอยู่ผมยังระลึกถึงคุณพระพุทธดารัสข้อนี้ได้ดีธํามิกะอุบาสกพูดพลังยกมือไหว้ท่วมศีรษะแล้วพยายามปลอบขวัญตนเองโดยอุบายต่างๆแต่ก็ไม่ค่อยจะได้ผลแม้ชาวพระนครราชคฤื้ทั้งสิ้นก็เสียขวัญเหมือนกันท่านผู้เจริญจะสังเกตเห็นได้ว่าตามถนนหนทาง มีผู้คนเดินไปมาแต่น้อยประชาชนตักอยู่แต่ในบ้านจับกลุ่มปรึกษาหารือกันด้วยความวิตกกังวลต่ออนาคตของบ้านเมืองและของครอบครัวเพราะต่างเห็นว่านครราชครื้ได้เข้าสู่ยุคมืดแล้วด้วยกษัตริย์ทรราชขึ้นครองเมืองแม้แต่พระบิดาบังเกิดเกล้าของตนพระองค์ยังฆ่าได้ไหนพระองค์จะไม่เบียดเบียนเข้นฆ่าไพ่ฟ้าฆ่าแผ่นดินเล่า ดูก่อนอุบาสกอาตมาไม่สามารถจะทราบได้ว่าอนาคตของพระนครราชครึจะเป็นอย่างไรพระเจ้าอาชาติศัตรูกษัตริย์องค์ใหม่ปกครองบ้านเมืองอย่างไรแต่อาตมาเชื่อว่าบุคคลที่ทําความชั่วถึงที่สุดแล้วหากกระทําไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญากระทําเพราะลงเชื่อคํายุยงส่งเสริมของคนอื่นเมื่อได้สติกลับคืนมาเขาจะเกิดความ วิปฏิสารเดือดร้อนเสียใจเป็นทุกข์เพราะการกระทาของตนเองเมื่อเกิดความเสียใจแล้วเขาจะตั้งหน้ากระทำแต่ความดีทดแทนเป็นการใหญ่อาตมามีความหวังอยู่ว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ได้ทำกรรมชั่วเพราะนิสัยสันดานชั่วแต่ทำเพราะหลงเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตฉะนั้นสักวันหนึ่งพระองค์จะต้องเกิดวิปฏิสาร แล้วกระทำความดีทดแทนแต่นี้ก็เป็นเพียงความหวังสิ่งทั้งหลายหาได้เป็นไปตามที่ระหวังทุกประการไม่ก็นั่นนะสิท่านผู้เจริญธรรมิกะอุบาสกผู้สอดขึ้นผมเกรงว่าจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามมากกว่าเพราะธรรมดาคนชั่วย่อมจะแวดล้อมด้วยบริวารชั่วบริวารชั่วก็ยอมจะคอยยุยงไปในทางชั่วผู้มีศรัทธาจิตเชื่อคนง่าย เมื่อได้หลงเชื่อคนอื่นมาครั้งหนึ่งแล้วย่อมจะหลงเชื่ออีกเป็นครั้งที่สองที่สามต่อไปอุบาสกเอ๋ยเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ให้ถือเสีว่าเป็นกรรมของเราเป็นกรรมของชาวนาครราชฤกษ์และชาวมคล ร, รัฐทั้งปวงที่จะต้องอยู่ใต้การกดขี่ทารุณของกษัตริย์ทรราช ธ, ธรรมดามีอยู่ว่ากษัตริย์ผู้เสวยราชสมบัติตกครองไพ่ฟ้าประชาชน หามีคุณธรรมเหมือนกันไม่ในบางแว่นแคว้นบางสมัยมีกษัตริย์ผู้ประกอบ ด, ด้วยทศพิษราชธรรมขึ้นครองราดบ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่ในบางแว่นแคว้นบางสมัยก็มีกษัตริย์ที่ไร้ทศพิษราชธรรมขึ้นครองราดทำให้บ้านเมืองเกิดยุคเข็นไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินประสบความลำเค็ญถ้าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนกษัตริย์ผู้ครองราดได้ตามปรารถนา มจุราผู้เที่ยงธรรมก็จัด ก, การเปลี่ยนให้เราเองไม่มีกษัตริย์องค์ใดจะอยู่คำฟ้าไม่ว่าจะเป็นทรราชหรือธรรมิกราชในที่สุดก็จะอําราโลกนี้ไปฉะนั้นอย่าไปวิตกทุกข์ร้อนให้มากไปเลยอุบาสกบางสิ่งบางอย่างมันก็เหลือวิสัยที่จะแก้ไขได้เมื่อแก้ไขไม่ได้ถ้าเราขืนไปแก้ไขก็เท่ากับมแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ เราจะต้องแก้ไขที่ใจของเราเองถือเสียว่ามันเป็นธรรมดาของโลกเราก็ปล่อยวางและเกิดความสบายใจธรรมิกาอุบาสกนั่งนิ่งคิดอยู่เป็นเวลานานโดยไม่ได้พูดอะไรออกมาข้าพเจ้าก็ฉันพัะตาหารไปเรื่อยๆตามหน้าที่ครู่ใหญ่ผ่านไปเขาจึงขยับตัวเข้ามานั่งใกล้ข้าพเจ้ามองดูรอบๆตัวคล้ายกับจะดูว่า มีใครอยู่ด้วยหรือเปล่าแล้วก็พูดขึ้นด้วยเสียงเบาๆแต่ท่าทางเอาจริงเอาจังว่าท่านผู้เจริญเท่าที่ท่านบรรยายมานั้นข้าพเจ้าก็เห็นว่าถูกแต่ว่าถูกตามแบบของสํานวิสัยผู้ปล่อยวางแล้วซึ่งภาวะของโรคส่วนคารวาวิสัยอย่างข้าพเจ้าผู้ปล่อยวางโลกไม่ได้ย่อมมีแนวนโยบายและแผนการอีกอย่างหนึ่งต่างหากดูก่อนอุบาสก ท่านหมายความว่าอย่างไรข้าพเจ้าถามด้วยความสงสัยธรรมิกาอุบาสกมองไปรอบๆตัวอีกครั้งหนึ่งและตอบว่าข้าพเจ้าหมายความว่าถ้ามครรภ์ตกอยู่ในยุคมืดชาวมครรภ์ก็ต้องช่วยกันจัดการทําให้มันสว่างขึ้นถ้ากษัตริย์ธรราชทําท่าทีว่าจะเบียดเบียนเราเราก็จัดการเบียดเบียนหรือกําจัดทรราชนั่นสิก่อนถ้าเราปล่อยให้มจุราช จัดการกับทรราชก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มัจุราชจะมาจัดการแม้ว่าทุกคนเที่ยงแท้ที่จะตายเมื่อไหร่กว่าทรราชนั้นจะตายเราก็อาจจะพินาศย่อยยับไปหมดสิ้นแล้วก็ได้ฉะนั้นจะมีเป็นการสมควรหรือถ้าเราจะทำหน้าที่แทนมัจุราชเสียเองท่านผู้มีอายุข้าพระเจ้าฟังคำพูดของธรรมิกาอุบาสกด้วยความรู้สึกงุนงงอย่างยิ่ง แทบไม่น่าเชื่อว่าคําพูดอันประกอบด้วยวิหิงสาพยาบาทและเวีนยนไพรเช่นนั้นจะออกมาจากปากของธรรมิกาอุบาสกผู้เคยไปฟังธรรมกับข้าพเจ้าที่พระเวรุวรณารามเป็นประจํามันคงจะเป็นคําพูดของอันตพานชนมากกว่าของพุทธสาวกข้าพเจ้าลําพึงในใจว่าความชั่วของพระเทวทัตและพระเจ้าอาชาศัตรู ได้ดนบันดาลให้เกิดความชั่วขึ้นในจิตใจของชาวมุคตรัฐทุกคนเสียแล้วหล่ะทำมิกอุบาสวคงจะสังเกตเห็นทีท่าของข้าพเจ้าจึงกล่าวขึ้นว่าท่านผูเ้เจริญผมทราบว่าคําพูดของผมคงจะกระทบกระเทือนจิตใจของท่านเป็นอย่างมากแต่จะทําอย่างไรได้เล่าในเมื่อเราตกอยู่ในกรองเพลิงแล้วถ้าไม่รีบดับเพลิงเพลิงก็จะเผาผลาญเราให้พินาศ ขอท่านได้โปรดอภัยให้ผมด้วยเถิดผมได้ตัดสินใจแน่ว แ, แน่แล้วที่จะกำจัดเสี้ยนน้ำของแผ่นดินให้หมดไปอุบาสกเอ๋ยอาตมาเป็นสมณะผู้ป่งภาละของโลกจนหมดสิ้นแล้วก็ขอเดเนินต่อไปตามทางของสมณะสำหรับท่าน ยังอยู่ในคารวะาวิสัยยังปร่งภาระไม่ได้ก็จงแบกภาระต่อไปตามที่ท่านจะเห็นสมควรสัตว์ทั้งหลายย่อมมีกรรมเป็นของของตนผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ผู้นั้นย่อมเก็บเกี่ยวผลของกรรมนั้นให้อภัยอาจจะกระทำได้เพียงด้วยวาจาแต่หามีใครสามารถหักห้ามยกเลิกผลแห่งกรรมของผู้อื่นได้ไหม ทำมิกาอุบาสกถอนใจอย่างหนักน่วงและพูดขึ้นว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทราบดีว่าแผนการของข้าพเจ้าเป็นแผนการชั่วประกอบด้วยความอาฆาตพยาบาทเป็นการต่อสายกรรมสายเวรข้าพเจ้าจะต้องเสวยทุกข์อันเป็นผลของกรรมชั่วนั้นแต่ถ้าคิดว่าการเสวยทุกของข้าพเจ้าจะนำความสงบสุข มาสู่ประชาชนชาวมคตราชทั้งหลายข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะเสวยทุกข์นั้นๆดูก่อนอุบาสกความจริงเรื่องของท่านก็เป็นเรื่องของท่านอัตมาผู้เป็นสมณะไม่ควรเกี่ยวข้องแต่อัตมาก็อยากจะเกี่ยวข้องเพียงรับทราบไว้เท่านั้นเพื่ออัตมาอยากจะทราบว่าท่านจะดําเนินการปราบเสี้นน้ำของแผ่นดินอย่างไรคมิกะอุบาสกจ้องหน้าข้าพเจ้าด้วยท่าทางสงสยัย แต่แล้วก็กล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าเชื่อและไว้ใจท่านในฐานะที่เป็นภิกษุข้าพเจ้าจึงจะแจ้งแผนการย่อๆให้ทราบความจริงเราดาเนินตามแผนการมาแล้วตั้งแต่วาระแรกที่พระราชาธิบดีพิมพิสารถูกจับขังไว้ในพันธนาการคือเราได้รวบรวมผู้คนทุกชั้นวรรณะที่ยังจงรักภักดีต่อพระราชาธิบดีองค์ก่อนเข้าเป็นพลพรรค เพื่อต่อต้านพรัตริย์องค์ใหม่แต่เนื่องจากกระสัทธรรมองค์ใหม่มีพรรคพวกมากมีกองทัพอยู่ในมือเราไม่สามารถจะต่อต้านพระองค์อย่างเปิดเผยได้เราจึงตั้งพลพรรคใต้ดินดําเนินการอย่างลับๆงานขั้นแรกของเราก็คือพยายามปลดปล่อยพระราชาพิมพ์พิสารจากที่คุมขังครั้งแรกเราก็ส่งคนของเราพร้อมด้วยอาวุธครบมือบุกเข้าไป เพื่อชิงเอาพระราชาธิปดีกลับมาแต่เนื่องจากกำลังคนของเราน้อยกว่าจึงถูกกองทหารของพระเจ้าอาชาศัตรูปราบเซราบเลียบไปตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าอาชาศัตรูก็ทรงรู้ตัวจึงทรงตั้งกองทหารรักษาพระราชวังและพันธนาการอย่างเข้มแข็งเราเห็นว่าจะจู่โจมด้วยกำลังไม่ได้จึงคิดจะรักเอาพระเจ้าพิมพิสารหนีออกมาด้วยกนอุบาย แต่ก็ล้มเหลวอีกใช่ไหมละ่ะข้าพเจ้าสอดขึ้นสองครั้งแรกล้มเหลวท่านผู้เจริญแต่ครั้งที่สเราก็ประสบผลสําเร็จสําเร็จอย่างไรถ้าอย่างนั้นทําไมพระเจ้าพิมพิสารจึงถูกทรมานสิ้นพระชนในที่คุมขังเล่าข้าพเจ้าถามด้วยความสงสัยเดี๋ยวก่อนท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะเล่ารายละเอียดถวายแล้วท่านก็จะทราบเองว่าทําไมเราจึงทํางาน สำเร็จแต่ให้สาเร็จในครั้งที่สเราลงมือดำเนินงานในตอนดึกสงัดโดยส่งพลพักเข้าโจมตีกองทหารรักษาพระองค์ซึ่งตั้งอยู่ในที่ไม่ไกลจ า, ยยากพันธนาการขณะที่การต่อสู้รบกำลังดาเนินไปทหารที่อยู่รักษาพันธนาการก็ถูกเรียกให้ไปช่วยในการสู้รบหรืออยู่เพียงทหารยามสองสามคนตอนนี้เอง ข้าพเจ้าได้ปลอมตัวเป็นทหารหลวงเข้าไปในบริเวณพันธนาการกําจัดทหารทีละคนแล้วก็เปิดประตูเข้าไปภายในห้องที่คุมขังพระเจ้าพิมพ์พิสารข้าพเจ้าพบพระองค์กําลังประทับนั่งบนพื้นห้องหลับตาเข้าที่ทําสมาธิอยู่อย่างสงบเสงี่ยมคล้ายกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นข้าพเจ้าถวายความเครารพขาดเข้าไปจับต้องพระวรกายจนพระองค์ออกจากสมาธิ ลืมพระเนตรขึ้นข้าพะเจ้ากราบทูลให้ทรงทราบว่าข้าพเจ้าคือใครและมาเพื่ออะไรแล้วทูลเชิญให้เสด็จออกจากที่คุมขังไปกับข้าพเจ้าให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้แต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าถึงกับตรึงงานไปครู่ใหญ่ในเมื่อองค์พระราชาทิบดีตรัสขึ้นว่าขอบใจเธอมากธรรมิกะที่เธอหวังดีต่อเราขอบใจทุกๆคนที่มีส่วนร่วมกับเธอ แต่เราไปไม่ได้และจะไม่ไปกับเจ้าเป็นอันขาดเพราะข้อกรรมที่เราได้รับอยู่เวลานี้เป็นผลแห่งกรรมเก่าในอดิตชาติของเรานี่คือโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้ใช้หนี้กรรมเก่าถ้าเห่านี้ไปกับเจ้าเจ้าหนี้ของเราก็ยังไม่หมดยิ่งกว่านั้นการหนีของเราจะก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองผู้คนเป็นอันมากจะต้องตายลงเพราะเราขอให้เราอยู่ในที่นี้ ใช้นี่กรรเก่าอย่างสงบสุดเถิดท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้พยายามวิงวอนด้วยประการต่างๆแต่พระองค์ก็ไม่ทรงยินยอมในที่สุดข้าพเจ้าจึงตัดสินใจจะนําพระองค์ไปด้วยกําลังแต่ช่างประหลาดมหัศจัจจ์อะไรเช่นนั้นท่านผู้เจริญปรากฏว่าข้าพเจ้าไปจับต้องพระวรกายของพระองค์อีกเป็นครั้งที่สองไม่ได้เพราะพระวรกายของพระองค์ ร้อนดุดฐานเพลิงข้าพเจ้าต้องถวายความเคารพทูลลาพระองค์กลับออกมาด้วยน้ำตาธรรมิกาอุบาสก นั่งก้มหน้านิ่งอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นข้าพเจ้าสังเกตเห็นในตาของเขากลายเป็นสีแดงและมีน้ําตาคลอท่านผู้เจริญเขากล่าวขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือข้าพเจ้ารีบกลับออกมารายงานให้หัวหน้าทราบหัวหน้าไม่เชื่อข้าพเจ้าและตําหนิข้าพเจ้าอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถนําพระราชาธิปดีออกมาจากที่คุมขังได้ข้าพเจ้าจึงพาเขาไปยังพันธนาการอีก องค์พระราชาธิบดีได้ตรัส ก, กับเขาเช่นเดียวกับที่ตรัส ก, กับข้าพเจ้าและเมื่อเขาจะเข้าไปจับต้องพระวรกายก็ปรากฏว่าจับต้องไม่ได้ตามเคยเราจึงทูลลากลับด้วยความผิดหวังเพราะเหตุนี้แหละท่านผู้จเจริญข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าเราทํางานสําเร็จแต่ล้มเหลวข้าพเจ้าฟังคําบรรยายของธรรมิกะอุบาสกด้วยความรู้สึกประหลาดมาสะจใจ แต่เพื่อจะให้ทราบเรื่องราวต่อไปข้าพเจ้าจึงถามว่าดูก่อนอุบาสกหลังจากแผนการนั้นล้มเหลวไปแล้วท่านจะดาเนินการอย่างไรต่อไปท่านผู้เจริญหลังจากนั้นเราก็ดาเนินการไปตามแผนมาเป็นขั้นๆเราได้ส่งคนออกไปเกืียแกล่อมส่องสมประชาชนตามนิคมชนบทรอบนอกกรุงราชกฤห์ฝึกซ้อมเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ตังเป็นกองทหารลับๆไว้ตามป่าตามเขาหลายแห่งและทําการโจมตีกองทหารหลวงเป็นครั้งคราวบางครั้งเราก็ประสบชัยชนะยึดอายุวั์วุฒโธปรกรณ์และสเสบียงอาหารไว้ได้มากมายแต่บางคราวก็ประสบความพ่ายแพ้แต่เราก็หาได้เกิดความท้อแท้ใจแต่ประการใดไม่พลพรรคของเราทุกคนสู้อย่างกล้าหาญด้วยความโกรธแค้นชิงชังพระเจ้าอาชาศัตรู และด้วยความอาลัยลักในองค์พระราชาพิมพิสารเราจะต่อสู้ต่อไปจนกว่าจะประสบชัยชนะหรือจนกว่าพลพรรคคนสุดท้ายของเราจะตายจากไปดูก่อนอุบาสกเท่าที่เป็นอยู่เวลานี้ท่านมีความหวังที่จะประสบชัยชนะมากน้อยเพียงใดท่านผู้เจริญเวลานี้ยังมองไม่เห็นวี่แววแห่งชัยชนะขั้นเด็ดขาดเลย เพราะพระเจ้าอาชาตศัตรูได้เพิ่มกําลังทับขึ้นอีกมากมายและนับวันแต่จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นจนดูเกือบจะเหลือวิสัยผลพักของเราจะหักล้างทํำลายได้แต่เราก็จะต่อสู้ต่อไปแม้จะไม่ประสบชัยชนะเด็ดขาดได้เราก็จะพยายามก่อกวนทําลายตัดรอนกําลังของศัตรูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ดูก่อนอุบาสก ท่านพอจะเปิดเผยให้อัตมาท ร, ราบได้หรือไม่ว่าใครเป็นหัวหน้าผู้นำพลพรรคของท่านรามิกะอุบาสกนั่งอั้อึ่งอยู่เป็นเวลานา น, านแล้วกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญนี่คือความลับซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถจะเปิดเผยได้เพราะเราได้ทำสัตย์ปฏิญญาณไว้ต่อกันว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็จะไม่ยอมเปิดเผยชื่อผู้นาเป็นอันขาดแม้แต่มารดาบิดาญาติสนิทมิสหายของตนเอง เพราะถ้าฝ่ายศัตรูรู้ความลับข้อนี้เสียแล้วก็เป็นการง่ายที่จะจัดการปราบปรามเซลเวลานี้เขาก็รู้บุคคลชั้นหัวหน้าเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นหัวหน้าใหญ่จริงๆข้าพเจ้าเสียใจที่ไม่สามารถจะตอบคําถามของท่านได้ไม่เป็นไรอุบาสกอัตมาเพียงแต่ถามดูด้วยความอยากรู้เท่านั้นถึงจะรู้ว่าใครเป็นหัวหน้าก็ไม่มีความหมายอะไรสําหรับอัตมา เพราะฉะนั้นรู้กับไม่รู้ก็มีค่าเท่ากันอาตมาได้สนทนามากับท่านเป็นเวลานานแล้วถึงเวลาที่อาตมาจะต้องอำลาเดินทางต่อไปท่านจะไปไหนหรือธรรมิกะอุบาสกถามด้วยท่าทางประหลาดใจท่านจะอยู่ที่พระเวรุวนารามต่อไปไม่ใช่หรืออาตมาจะเดินทางท่องเที่ยวจาริกไปแบบอนาคาลิตอย่างที่อาตมาเคยท่องเที่ยวมาแล้วก่อนที่จะมาอยู่ประจา ที่พระเวรุวันจุดประสงค์ก็เพื่อปฏิบัติบาเพ็ญเพียร เ, เพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นของตนเองและเพื่อเผยแพร่สัจธรรมของพระบรมศาสดาธรรมิกะอุบาสกได้วิงวอนให้ข้าพเจ้ากลับคืนไปอยู่ประจำที่พระเวรุวานารามอีก แต่เมื่อทราบความตั้งใจอันแน่วแน่ของข้าพเจ้าก็มีได้ทัดทานแต่ประการใดท่านผู้เจริญเขากล่าวขึ้นด้วยเสียงละห้อยดูเหมือนว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการจากไปโดยแท้พระราชาทิปดิพิพิสารร่มโพทองของชาวมะคตก็ได้จากไปแล้วสู่ประละโลกอย่างไม่มีวันกลับพระบรมศาสด า, ส, ดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจากไปสู่นครสาวัตถี ท่านเองก็กําลังจะจากไปเช่นเดียวกันตั้งแต่บัดนี้ไปกรุงราชคลึกลายเป็นนครแห่งทรราชเป็นนครแห่งการกดขี่ทารุนและสงครามกลางเมืองขอนิมนต์ท่านไปตามทางอันสงบสุขของท่านเถิดข้าพเจ้าก็จะดำเนินไปตามทางอันเปื้อน ด, ด้วยเลือดและน้ำตาของข้าพเจ้าต่อไปข้าพเจ้ากล่าวคาอนุโมทนา ให้ประทาหารทานแก่ธรรมิกะอุบาสกแล้วก็อำลาออกเดินทางต่อไปสภาพของกรุ่งราชกุลดูโซพเศราเงียบเหงาจริงดังที่ธรรมิกะอุบาสกกล่าวตามถนนหนทางซึ่งเคยคึกคัก ด, ด้วยพ่อค้าวานิชและคนทุกเพศทุกวัยทุกวันนะบัดนี้กลับว่างเปล่ามีคนเดินไปมาเพียงเล็กน้อยข้าพเจ้าเดินออกจากประตูนครทางด้านทิศเหนือระหว่างภูเขา เวปุละและเขาเวพละและมานั่งพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้กับตะโปตานที่บ่อน้ำร้อนอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคยพลุกพล่านด้วยฝูงคนผู้มาอาบน้ำล้างบาปตั้งแต่เช้าจดเย็นเวลานี้ก็มีคนอาบอยู่เพียงสองสาคนเท่านั้นท่านผู้มีอายุข้าพระเจ้านั่งพิจารณาธรรมเป็นการพักผ่อนหลบร้อนอยู่ใต้ต้นไม้นั้นจนถึงเวลาบ่าย จึงเตรียมตัวที่จะออกเดินทางต่อไปแต่ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังจกกัดเตรียมสิ่งของอยู่นั้นได้มีปริพาชกไวยกลางคนคนหนึ่งแวะเข้ามาพักใต้ต้นไม้และทักทายปลาัยชวนสนทนาว่าท่านผู้มีอายุปริพาชกไวยกลางคนกล่าวขึ้นข้าพเจ้าชื่อวสุเทวะเป็นอนาคาลิกปฏิบัติธรรมเพื่อวิโมกเช่นเดียวกับท่านข้าท่านไม่ลังเกียจ ข้าพเจ้าอยากจะสนทนาธรรมกับท่านเพื่อให้เกิดปัญญาบ้างไม่ลังเกยียดเลยท่านอนาคาลิกข้าพเจ้าตอบพลงังจ้องดูปริพาชกอย่างพีนิดพิเคราะห์เพราะเกิดความรู้สึกคลับคล้ายคลับข่บาวว่าจะได้เคยเห็นเคยพบกับปริพาชกคนนี้มาแล้วนาะที่ใดที่หนึ่งนานมาแล้วแต่คิดไม่ออกว่าได้พบที่ไหนข้าพเจ้า เห็นท่านกําลังเตรียมตัวจะออกเดินทางท่านกําลังจะรีบร้อนไปไหนลึืปริภาชกถามข้าพเจ้าไม่มีธุระรีบร้อนไปไหนหรอกท่านอนาคาริชข้าพเจ้าเดินทางไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางข้าที่ไหนก็หยุดพักที่นั่นอยากจะพักนานเท่าไหร่ก็พักอยากจะไปเมื่อไหร่ก็ไปอยากไปที่ไหนก็ไปธุระของข้าพเจ้าอยู่กับตัวของข้าพเจ้าเอง ท่านอยากจะสนทนาอะไรก็เชิญตามสบายไม่มีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าจะยินดีกระทําไปยิ่งกว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับบรรดานักบวชในศาสนาต่างๆผู้กำลังศึกษาค้นคว้าไปในดินแดนแห่งจิตใจอันล้ำลึกถ้าการสนทนาของเรามีสาระมีประโยชน์คุ้มค่าคุ้มเวลาข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะสนทนากับท่านเป็นเวลานานๆ ท่านผู้มีอายุปริภาชกสุเทวะกล่าวขึ้นหลังจากนั่งบนแผ่นนังเสือวางหม้อน้ำทองเหลืองไว้ข้างๆตัวเอออากาศวันนี้รู้สึกว่าร้อนระอุเช่นเดียวกับบรรยากาศทางบ้านเมืองขอ ง, รงกรุงราชครื้จริงๆนะคำพูดของวสุเทวะแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่เอาใจใส่ในกิจการบ้านเมืองคนหนึ่งทั้งๆที่เป็นปริภาชกผู้สละโลกีวิสัยแล้ว เหตุห้ายทั้งหมดหมันเกิดขึ้นมาจากพระเทวทัตสหพมจารีของท่านนั่นเองวสุเทวะกล่าวต่อไปข้าพเจ้าเห็นว่าพระเทวทัตเป็นสมณะที่เลว3ามที่สุดประชาชนควรจะจับสำเร็จโทษเสียเวลานี้ได้ทราบว่าไปตั้งกกเป็นอิสระอยู่ทางตำบลขยาศีสะประเทศโนนเห็นว่าปฏิบัติตนเรียนแบบพระสมณะโคดมทุกประการมีอักสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเสียด้วย ท่านอนาคาลิกะถ้าท่านจะชวนข้าพเจ้าสนทนาในเรื่องอันชวนให้ใจห่อเหี่ยวเช่นนี้ข้าพเจ้าเห็นจะต้องอำลาเดินทางต่อไปเสียแล้วละ่ะเพราะข้าพเจ้าเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะก่อให้เกิดปัญญาแต่ประการใดท่านผู้มีอายุรู้สึกว่าจะแก่ปัญญาเกินไปเสียแล้วละ่ะพระสุเทวะกล่าวพางังหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเออแต่ทั้งๆที่แก่ปัญญาอย่างนี้แหละ ท่านก็ยังอ่อนอยู่มากในเชิงปัญญาคำพูดเป็นเชิงดูหมินของวัสุเทวะทำให้ข้าพเจ้าเกิดความไม่พอใจขึ้นมาทันทีแต่เพราะข้าที่มีสติสัมปชัญญะอันได้อบรมไว้ดีพอสมควรจึงระลึกขึ้นมาได้และรีบข่มใจให้เป็นปกติแล้วก็ตอบเข้าไปว่าอาจจะจริงท่านอนาคาริข้อบอกพร่องของตนเองบางทีตนก็มองไม่เห็น จนกว่าจะมีคนอื่นมาชี้ให้ดูแต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่ทราบว่าข้าพเจ้ายัางอ่อนในเชิงปัญญาอย่างไรเพียงไรเพียงเพราะเหตุที่ไม่อยากสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของความชั่วร้ายของคนอื่นท่านภูมิอายุวสุเทวะกล่าวยิ้มยิ้มอย่างได้ทีเออธรรมดาหมอผู้เชี่ยวชาญในยาชุระเวทย่อมจะมองเห็นต้นไม้ทุกชนิดเป็นยาฉันใด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 ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันท่านผู้มีอายุจากคําพูดของเขาทําให้ทราบได้ทันทีว่าวาสุเทวะเป็นปริภาชกที่ข้าพเจ้าจะดูหมิ่นไม่ได้เพราะคําพูดของเขาหลักแหลมมีเหตุผลแสดงว่าเป็นพ่อหูสูตรมีความคิดมีปัญญาดีทีเดียวแต่เป็นที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งเมื่อเราสนทนากันต่อไปและเมื่อข้าพเจ้าถามถึงข้อวัดปฏิบัติของปริภาชกเอา กลับตอบไม่ได้และพยายามตอบบายเบียงเสียทุกครั้งทําให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยอยู่คลามคลันว่าเขาเป็นปริภาชกแบบไหนข้าพเจ้าประหลาดใจยิ่งขึ้นเมื่อเขาบอกว่าข้าพเจ้าออกบวชเป็นปริภาชกเองโดยความสมัครใจไม่ได้ขึ้นสังกัดาศาสนาองค์ใดและไม่ได้ถือข้อวัดปฏิบัติของปริภาชกสำนักไหนโดยเฉพาะอยากจะปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติ ไม่ต้องตกเป็นทาสของกฎเกณฑ์อะไรของผู้ใดถ้าอย่างนั้นท่านออกบวชเป็นปริภาชกทําไมข้าพเจ้าถามก็เพราะเหตุผลอย่างเดียวท่านผู้มีอายุเพราะความรักอิสระเสรีภาพอันสูงส่งอิสระภาพจากภาวะกังวลของคารวะวิสัยอิสระภาพจากลัทธิข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอิสระภาพจากาศาสนาเจ้าลัทธิใดๆทั้งหมดอิสระภาพ จากการติดอยู่กับถิ่นกับบุคคลใดๆทั้งสิน้นแต่ในฐานะที่ท่านเป็นปริภาชกท่านจะต้องมีจุดหมายปลายทางของชีวิตและมีหลักปฏิบัติบางอย่างเพื่อบรรลุถึงจุดหมายนั้นข้าพเจ้าถามด้วยความสงสัยอ๋อไม่มีอะไรทั้งสิน้นท่านผู้มีอายุไม่มีแม้แต่จุดมุ่งหมายของชีวิตเพราะตราบใดที่ท่านยังมีจุดมุ่งหมายท่านก็จะติดอยู่กับจุดมุ่งหมายนั้น ท่านจะไม่ได้รับอิสรภาพอย่างสมบูรณ์เมื่อข้าพเจ้าไม่มีจุดมุ่งหมายข้าพเจ้าก็ไม่มีหลักปฏิบัติเพื่อให้ถึงจุดมุ่งหมายนั้นถ้าอย่างนั้นท่านถือเพศเป็นปริภาชกทําไมผมถือเพศปริภาชกก็เพราะเห็นว่าเพศนี้เหมาะที่สุดสําหรับผมในขณะนี้แต่ถ้าผมเห็นเพศอื่นซึ่งเหมาะกว่าในขณะอื่นผมอาจจะสละเพศปริภาชกเมื่อไหร่ก็ได้ ผมไม่ติดแม้ในเพศพันุ์ภายนอกขณะที่เรากําลังสนทนากันอยู่นั่นเองวัสุเทวะได้เหลือไปเห็นกองทหารหลวงที่กําลังออกจากพระนครเขาจ้องดูกองทหารนั้นด้วยดวงตาที่เบิกกว้างและจ้องดูอยู่อย่างเอาใจใส่จนกองทหารนั้นเดินผ่านไปไม่นานเขาก็ขออนุญาตข้าพเจ้าเพื่อปีนขึ้นไปบนต้นไม้บอกว่าจะขึ้นไปทํา ศาสนกิจที่เขาคิดว่าเขาควรจะทำในขณะนั้นเขาขึ้นไปยืนอยู่บนยอดไม้แล้วก็ยกมือขึ้นขึ้นลงๆททำเป็นสัญญาณต่างๆแล้วก็ลงมาข้าพเจ้าขึ้นไปทำพิธีไหว้พระอาทิตย์เขากล่าวยิ้มยิ้มเมื่อกลับลงมานั่งเรียบร้อยแล้ว ผู้มีอายุกายาอาการและความคิดอันประหลาดของวัสุเทวะปริภาชกทำให้ข้าพเจ้าเกิดความประหลาดใจสงสัยและสนใจระคนันเขาบอกว่าเขายึดมั่นในเสรีภาพอันสมบูรณ์ไม่ยึดไม่คิดอะไรทั้งสิน้นเขาไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตเพราะการตั้งจุดมุ่งหมายไว้จะทำให้เขาจำต้องปฏิบัติเพื่อจุดมุ่งหมายนั้นเป็นการกาจัดเสรีภาพของตนเอง เขาไม่มีระเบียบปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นเพราะการมีระเบียบปฏิบัติอันแน่นอนจะทําให้เขาหมดอิสรภาพในการปฏิบัติเขาไม่ขึ้นสังกัดอยู่กับาศาสดาองค์ใดเพราะการมีาศาสดาจะทําให้จิตใจหมดอิสระภาพถ้าเขาถือได้ตามนั้นจริงก็คงมีอิสระภาพและความสุขสบายอย่างยิ่งแต่การกระทํากับคําพูดของเขาดูไม่ตรงกันเลยเพราะเขายังปีนต้นไม้ขึ้นไปไหวพระอาทิตย์ แสดงว่าเขายังนับถือพระอาทิตย์เป็นสารณะและยังติดในข้อวัดคือการไหว้พระอาทิตย์แต่เมื่อข้าพเจ้าถามเขาเขาก็ให้เหตุผลอย่างน่าฟังว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ามิได้เคารพนับถือพระอาทิตย์เป็นศาสดาหรือสารณะแต่ประการใดและไม่ได้ยึดเอาการไหว้พระอาทิตย์เป็นข้อวัดปฏิบัติประจําข้าพเจ้าอาจจะไหว้อะไรเมื่ อ, อไรก็ได้ในเมื่อข้าพเจ้าคิดอยากจะไหว ถ้าไม่อยากจะไหวข้าพเจ้าก็ไม่ไหวอะไรเลยขณะนี้ข้าพเจ้าคิดอยากจะไหวพระอาทิตย์และอยากจะไหวบนยอดไม้เสียด้วยข้าพเจ้าจึงปีนขึ้นไปไหวพระอาทิตย์บนยอดไม้พันผู้มีอายุชีวิตของข้าพเจ้าเป็นชีวิตที่อิสระสมบูรณ์แบบข้าพเจ้าปล่อยให้มันเลื่อนลอยไปดุดปลุยนุ่นที่ถูกกระแสลมพัดไปมาในอากาศอันเว่องว้างไม่กเกาะเกี่ยวติดพันกับอะไรทั้งสิน้น สุเทวะพูดมาถึงตอนนี้ข้าพเจ้าก็มองเห็นช่องทางที่จะไล่ต้อนปริภาชกเจ้าปัญญาคนนี้ให้จนมุมให้ได้ข้าพเจ้ากล่าวว่าท่านอนาคาลิกข้าพเจ้าเห็นว่าอิสรภาพมีสองอย่างคืออิสรภาพทางกายหนึ่งอิสรภาพทางใจหนึ่งอิสรภาพทางกายก็คือความสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้อย่างสบายไม่ติดถิ่นฐานอาวาส เปรียบเหมือนปลาที่แหวกไหวไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไม่มีระเบียบวินยัยทางกายใดๆที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจำอิสรภาพทางใจคือการไม่ยึดมั่นในศาสดาในทิฏฐิในข้อวัดปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นข้าพเจ้าเห็นว่าท่านมีอิสรภาพทั้งทางกายและทางใจพอสมควรแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านยังไม่มีอิสรภาพทางใจอย่างมากทีเดียว ขาดอิสรภาพทางใจอย่างไรลึืท่านผู้มีอายุวสุเทวะถามจ้องดูหน้าข้าพเจ้าด้วยความสงสัยท่านอนาณาคาลิกท่านบอกว่าท่านไม่มีข้อวัดปฏิบัติอันแน่นอนท่านจะปฏิบัติวัด ใ, ใดก็ได้ตามที่ท่านอยากปฏิบัติในขณะนั้นๆเช่นเมื่อสักครู่นี้ท่านเกิดอยากจะไหวพระอาทิตย์บนต้นไม้ท่านก็ปีนขึ้นไปไหวพระอาทิตย์ข้าพเจ้าเชื่อว่า ในคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงบางคืนเมื่อท่านเกิดอยากจะไหว้พระจันทร์บนยอดเขาขึ้นมาท่านก็จะต้องปีนขึ้นไปไหว้พระจันทร์บนยอดเขาหรือบางขณะท่านอาจจะเกิดความอยากไหว้ปลาขึ้นมาท่านก็จะต้องดำน้ําลงไปไหว้ปลาอย่างนั้นใช่หรือไม่ออย่างนั้นสิท่านผู้มีอายุวสุเทวะยืนยันเพราะข้าพเจ้ามีอิสระภาพทางใจ ข้าพเจ้าอยากจะทําอะไรที่ไหนเมื่อใดก็ได้ตามชอบใจเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะว่าข้าพเจ้าขาดอิสระภาพทางใจได้อย่างไรท่านอนาคาลิกปุ๋ยนุ่นที่ล่องลอยไปในอากาศแม้จะดูเป็นอิสระดีแต่มันก็ยังตกเป็นทาตของกระแสลมเลื่อนลอยไปตามอานาจของแรงลมสวะที่ลอยไปตามลําน้ําแม้จะดูเป็นอิสระดี แต่มันก็ยังตกอยู่ใต้อำนาจของกระแสน้ำชันใดการปฏิบัติของท่านก็ฉันนั้นการที่ท่านอยากทำอะไรก็ทำได้ตามใจชอบแม้จะดูเป็นอิสระอย่างสูงแต่จิตใจของท่านก็ยังตกอยู่ใต้อำนาจของความอยากถึงความอยากพัดพาไปถูกความอยากบังคับให้ทำหรือไม่ทำสิ่งต่างๆเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะประกาศว่า ท่านมีอิสรภาพทางใจอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไร <fand contamination> ท่านผู้มีอายุคำพูดของข้าพเจ้าทำให้วัสุเทวะปริภาชกนั่งก้มหน้านิ่งคิดอยู่เป็นเวลานานทีเดียวเขาเอามือทั้งสองข้างถูกันไปมาแสดงความกระโนกระวายใจมีเม็ดเหงื่อปรากฏขึ้นบนหน้าผาก ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดแสดงว่ากาลังคิดอย่างหนักเออจริงของท่านท่านผู้มีอายุเขากล่าวออกมาในที่สุดจริงของท่านข้าพเจ้าลืมคิดถึงข้อนี้ไปลืมสนิททีเดียวและคงจะหลงเข้าใจผิดไปอีกนานทีเดียวถ้าไม่ได้พบและสนทนากับท่านนับว่าท่านเป็นผู้นำแสงสว่างมาสู่จิตใจอันมืดมัวของข้าพเจ้าโดยแท้ท่านผู้จเจริญยังมีลัทธิใดอีกบ้างไหม ให้อิสรภาพอย่างสมบูรณ์แท้แก่คนในชมพูทวีปมีสิท่านอนาคาริกลทัทธิพรหมจรรย์ของพระโคโดมพุทธะที่ข้าพเจ้าถือปฏิบัติอยู่นี่แลคือลทัทธิอันให้อิสรภาพสมบูรณ์แท้แก่ผู้นับถือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีอิสรภาพทางใจอันสูงสุดไม่เป็นทาตของสิ่งใดๆแม้แต่ความอยากของตนเอง ท่านผู้เจริญวสุเทวะกล่าวขึ้นและหันมาใช้คำรองเรียกข้าพเจ้าว่าท่านผู้เจริญซึ่งเป็นคำแสดงความเคารพแทนที่จะใช้คำว่าท่านผู้มีอายุซึ่งแสดงว่าคู่สนทนามีฐานะเสมอกันหรือต่ำกว่าตนความจริงข้าพเจ้าเคยได้ยินได้ฟังมามากเกี่ยวกับลัทธิคำสั่งสอนของพระสมณะโคดมแต่ข้าพเจ้าก็ยังเห็นว่า ยังต่ำกว่าลทัทธิอันสูงส่งของข้าพเจ้าเพราะสมณะโคโดมยังสอนสาวกให้ติดอยู่กับพระธรรมตรยัยให้ยึดมั่นในสีขาบทวินัยและระเบียบปฏิบัติอันยุมยิมต่างๆของภิกษุข้าพเจ้าไม่เห็นว่าลทัทธิของพระองค์จะแตกต่างอะไรกับลทัทธิของาศาสดาทั้ง6จึงไม่ได้เอาใจใส่ศึกษาแม้เวลานี้ข้าพเจ้าก็ยังเชื่ออยู่ว่าลทัทธิของพระสมณะโคโดมยังติดอยู่ในาศาสนา และข้อวัดปฏิบัติอันมีรายละเอียดมากมายข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นว่าภิกษุผู้ยังเกาะเกี่ยวลุ่มลังอยู่ด้วยศาสนาระเบียบวินยัยและทิฏฐิต่างๆเช่นนั้นจะเป็นอิสระสมบูรณ์ทั้งทางกายทางใจได้อย่างไรขอเชิญท่านผู้เจริญช่วยอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจด้วยเถอะท่านอนาคาลิก ข้าพเจ้าจะอธิบายพร้อมทั้งอุปมาอุปไมยให้ท่านฟังบรรดาบุรุษผู้ประสงค์จะข้ามแม่น้ำหรือสมุทรสาคร อ, อันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยลูกคลื่นเจ้าละเคและฉลามร้ายย่อมจะต้องอาศัยเรือเป็นเครื่องข้ามเมื่อเข้าถึงฝั่งโน้นปลอดภัยแล้วเขาย่อมจะทิ้งเรือไว้ชายฝั่งไปแต่ตัวคนเดียวไม่แบกเรือไปด้วยชั้นใดสาวกของพระบรมศาสดาเมื่ อ, อยังไม่ถึงฝั่ง มรรคผลนิพพานย่อมจะต้องอาศัยศีลเป็นลำเรืออาศัยสมาธิเป็นหางเสืออาศัยปัญญาเป็นดวงดาวนำทางอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำร่องอาศัยพระธรรมเป็นแผนที่และอาศัยพระสงฆ์เป็นลูกเรือแต่เมื่อถึงฝั่งข้างโน้นคือพระนิพพานแล้วพระอริยสาวกย่อมทิ้งเรือและอุปกรณ์ต่างๆไว้เบื้องหลังเปิดประตูเข้าสู่อิสรภาพ และสันติสุขชั่วนิรัดนดรแต่ตัวเปล่าฉะนั้นแต่ข้าพเจ้าเห็นพระอริยสาวกผู้บรรลุพระอาหารหัตผลแล้วยังยึดมั่นในพระตรรมตรายและปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ในสีลาจารวัตทุกประการดิท่านผู้เจริญเมื่อถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วการเคารพนับถือพระตนรตรายก็เป็นแต่เพียงกิริยาบุญเพื่อแสดงกตัญญูขตเตวทิทิตาธรรมเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานแบบแบกบเอาเรือไปด้วยการยึดมั่นปฏิบัติในศีลารจรรวัตทั้งหลายก็เป็นแต่เพียงกริยาบุญเพื่อความอยู่เป็นสุขสบายในโลกนี้เพื่ออนุเคราะห์หมู่คณะและประชาชนเท่านั้นไม่ใช่การหลงปฏิบัติด้วยศิลพัตนาพราหมาตแต่ข้าพเจ้าก็ยังเห็นว่าการปฏิบัติในข้อวัดปฏิบัติทั้งหลาย ยังเป็นเครื่องกำจัดอิสรภาพก่อให้เกิดภาวะกังวลอยู่นั่นเองท่านอนาคาลิกข้าพเจ้าจะอุปมาให้ฟังธรรมดาหญิงนักฟ้อนผู้เพิ่งจะเริ่มเรียนยังไม่ชำนาญในศิลปะการฟ้อนรำเมื่อขึ้นสู่เวทีย่อมประวัติพรั่นพรึงเมื่อได้ยินเสียงดนตรีย่อมตกใจตัวสัน่นมีกริยางกเงืน่นย่อมไร้รำด้วยความยากลำบาก แม้จะพยายามตั้งใจก็ยังมีลีลาอันผิดพลาดแต่หญิงฟ้อนลำผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการไล่ลำดีแล้วเมื่อก้าวขึ้นสู่เวทีและได้ยินเสียงดนตรีย่อมจะมีจิตใจฮึกเหิมร่าเริงเบิกบานประกอบลีลาการไา่ลำได้อย่างคล่องแคล่วเข้ากับจังหวะดนตรีโดยไม่ต้องตั้งใจเพื่อหนึ่งว่าแข้งขาตีนมือมันออกไปเองตามปกติวิสัยของมันฉันใด พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาก็ฉช น, นั้นภิกสุผู้ยังเป็นปุถุชนย่อมปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้ด้วยความยากลำบากต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมแม้กระนั้นก็ยังผิดพลาดย่อมงกเงื่นในสมาคมแต่สำหรับภิกสุผู้เป็นพระอริยบุคคลบรรลุถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กลายเป็นปกติวิสัยของท่านเป็นเครื่องอยู่อันสบายของท่านปฏิบัติอย่างสบายโดยไม่ต้องตั้งใจก็ไม่มีข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามศีลาจรวาดของท่านจึงไม่ใช่ภาระอันหนักไม่ใช่การกําจัดอิสระเสรีภาพแต่เป็นทำเครื่องอยู่อันแสนสบายของท่านท่านพอจะเข้าใจแล้วหรือยังว่สุดเทวะพงกศีรษะขึ้นลงแสดงว่าเห็นด้วย แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านทุกประการว่าระเบียบปฏิบัติใดๆก็ตามถ้าเราปฏิบัติจนกลายเป็นปกติวิสัยแล้วแทนที่จะเป็นภาระกังวลกลับเป็นสุขสบายข้าพเจ้าอยากจะขอเรียนถามท่านเกี่ยวกับการปลดเปลื้องตนให้เป็นอิสระภาพจากความอยากเพราะข้อนี้เป็นข้อบกพร่องของข้าพเจ้าข้าพเจ้า ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดๆแต่ยังอยู่ใต้อำนาจของความอยากของตนอยู่ท่านอนาคาลิกการเป็นอิสระจากความอยากเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแม้ข้าพเจ้าเองก็กาลังพยายามกระทำอยู่แต่ยังเอาชนะมันไม่ได้แต่ข้าพเจ้าก็จะพยายามแนะนวิธีให้ท่านตามแนวคำสอนของพระบรมศาสดาก่อนอื่นข้าพเจ้าใกล้จะถามท่านก่อน ขอให้ท่านพูดตามความเป็นจริงในขณะที่ท่านเห็นหญิงสาวผู้มีรูปร่างสวยงามท่านย่อมจะเกิดความพอใจเมื่อเกิดความพอใจท่านย่อมจะเกิดความปรารถนาความต้องการใช่หรือไม่อ้อใช่สิท่านผู้เจริญแต่ในขณะใดท่านเห็นซากศพนอนตายเน่าเหม็นอยู่ที่ป่าช้าผีดิบท่านย่อมจะเกิดความเบื่อหน่ายและความสลดสังเวชใจ ไม่มีความปรารถนาใดๆใช่หรือไม่ใช่ท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือความแตกต่างระหว่างหญิงสาวสวยกับซากศพในป่าช้าผีดิบอะไรเล่าคือสิ่งที่ทำให้ท่านเกิดความปรารถนาในหญิงสาวสวยและความเบื่อหน่ายในซากศพวาสุเทวะนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้าเกิดความปรารถนาในหญิงสาวก็เพราะความมีชีวิตความงามและเพศของเธอข้าพเจ้าเกิดความเบื่อหน่ายในซากศพก็เพราะความตายความเน่าเหม็นน่าเกลียดของมันถูกแล้วท่านอนาคาริกท่านเกิดความรักความปรารถนาก็เพราะความงามและเพศพันธุ์ซึ่งเป็นเปลือกนอกของสมุติสัจักรโดยความเป็นจริงแล้วหญิงสาวกับซากศพนั้นก็คือ ประชุมของท่าสี่อย่างเดียวกันนั่นเองถ้าท่านเพิกสมุติสัจจะออกเสียมองซึ่งเข้าไปเห็นความจริงแท้ภายในด้วยปัญญาท่านก็จะเห็นหญิงสาวกับซากศพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านจะไม่เกิดความปรารถนาเมื่อเห็นสตรีสวยท่านจะไม่เบื่อนายเมื่อเห็นซากศพผู้เจริญพระสุเทวะกล่าวสอดขึ้นอย่างตื่นเต้น กองทหารมาอีกแล้วเข้าพเจ้าขออนุญาตขึ้นไปไหว้พระอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งว่าแล้วเขาก็รีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้อย่างรวดเร็วทำให้ข้าพเจ้านั่งงงต่อพฤติกรรมอันประหลาดของเขาอยู่คนเดียว ท่านผู้มีอายุขณะที่วสุเทวะกำลังยกมือยกไม้ไหว้พระอาทิตย์อยู่บนต้นไม้ข้าพเจ้าก็นั่งคิดทบทวนเหตุการณ์อยู่ใต้ต้นไม้วสุเทวะปริภาชกดูเป็นคนฉลาดหลักแหลมมีความคิดอ่านและหลักการดำเนินชีวิตของตนเองเขายืนยันว่าเขาไม่ยึดมั่นในข้อวัดอันใดแต่การที่เขาขึ้นไปทาพิธีไหว้พระอาทิตย์บนต้นไม้ถึงสองครั้งในเวลาไล่เลี่ยกัน แสดงว่าเขาเป็นคนคลิ้งครับในข้อวัดอย่างยิ่งข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะขึ้นไปไหว้พระอาทิตย์ทุกครั้งที่มีกองทหารเดินผ่านไปทําให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยขึ้นมาทันทีว่าการไหว้พระอาทิตย์ของเขากับการปรากฏตัวของกองทหารน่าจะมีความสัมพันธ์กันอยู่ข้าพเจ้าตั้งใจจะถามเอาความจริงจากเขาให้ได้เมื่อเขากลับ ลงมาจากต้นไม้แล้วท่านผู้เจริญวสุเถวะกล่าว ท, ทั้งทั้งที่เหนื่อยจนหอบขณะที่ลงมาจากต้นไม้ถึงพื้นข้าพเจ้าต้องขออภัยที่ต้องจากท่านไปทำพิธีไหว้พระอาทิตย์โดยกระทันหันข้าพเจ้าคงจะตกเป็นทาสของความอยากเอาอย่างมากทีเดียวเพราะเมื่อความอยากทำอะไรขึ้นมาก็อดไม่ค่อยได้ที่จะต้องรีบทำทันที ขอเชิญท่านบรรยายวิธีปราบความอยากต่อไปได้แล้วข้าพเจ้ากำลังสนใจฟังอยู่ทีเดียวท่านผู้มีอายุแม้ว่าวาสุเทวจะพยายามพูดจากรบเกลอนปิดบงังเจตนาอันแท้จริงของตนอย่างไรก็หาอาัดกระทาให้ข้าพเจ้าเชื่อคล้อยตามไปไม่ข้าพเจ้ายัางเชื่อมั่นอยู่ว่าการกระทาของเขาจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทหารอย่างแน่นอน เมื่อเห็นข้าพเจ้านั่งนิ่งอยู่ตามเดิมว่าสุเทวะคงจะเกิดความประหลาดใจเหมือนกันจึงกล่าวขึ้นว่าท่านเป็นอะไรไปหรือท่านผู้เจริญข้าพเจ้าก็เป็นปกติดีท่านอนาคาริกแต่ข้าพเจ้าเกรงว่าท่านเองคงจะมีอะไรผิดปกติไปเสียแล้ววสุเทวะหัวเราะคล้ายกับจะกลบเกลื่อนเรื่องแล้วก็พูดขึ้นด้วยเสียงดังแบบยืนยันว่า ข้าพเจ้าปกติดีท่านผู้เจริญอะไรทําให้ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าผิดปกติก็กองทหารนั่นละสิท่านอนาคาริกรู้สึกว่ากองทหารกับการขึ้นไหวพระอาทิตย์ของท่านมาด้วยกันไปด้วยกันเสมอข้าพเจ้าอยากจะดูอีกเหมือนกันถ้ามีกองทหารมาอีกท่านจะขึ้นไปไหวพระอาทิตย์อีกหรือไม่แต่เอาเถอะท่านอนาคาริกบางทีข้าพเจ้าอาจจะคิดมากไปเอง เหตุการณ์บ้านเมืองกำลังอยู่ในภาวะวิปริตผิด ธ, ธรรมดาบางทีมันอาจจะส่งผลให้สมณะชีพรามพล อ, อยวิปริตไปด้วยก็ได้ข้าพเจ้าได้สนทนากับท่านมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วเห็นจะต้องอำลาท่านออกเดินทางไปเสียทีถึงจะสนทนาต่อไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไรการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กันทั้งสองฝ่ายต้องบริสุทธิ์ใจต่อกันจริงๆ จ, งจึงจะได้ประโยชน์ถ้าฝ่ายหนึ่งบริสุทธิ์ใจ อีกฝ่ายหนึ่งมีเงื่อนงำก็ไม่มีประโยชน์อะไรข้าพเจ้าพูดแล้วก็เตรียมเก็บบริขารเพื่อจะออกเดินทางวสุเทวะนั่งจ้องดูข้าพเจ้าด้วยหน้าตาท่าทางแสดงความไม่สบายใจแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาข้าพเจ้าเตรียมบริขารเรียบร้อยแล้วก็เริ่มออกเดินทางไปในเวลาที่พระอาทิตย์บ่ายคล้อยจนจะถึงแนวยอดไม้ แต่เดินไปได้ไม่ไกลนักก็ต้องหยุดชะงักเพราะได้ยินเสียงวสุเทวะร้องตามมาข้างหลังว่าท่านผู้เจริญขอเชิญท่านหยุดก่อนข้าพเจ้ามีเรื่องสําคัญจะสนทนาด้วยข้าพเจ้าหันกลับไปมองดูทางเสียงนั้นก็เห็นว่าสุเทวะกําลังเดินตรงมาทางข้าพเจ้าเขาถือวิสารสะจับข้อมือข้าพเจ้าแล้วก็ดึงจะให้กลับไปนั่งอย่างใต้ร่มไม้ต้นเดิมอีก เชิญท่านไปนั่งสักประเดี๋ยวก่อนข้าพเจ้าจะเล่าความจริงบางอย่างให้ฟังข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายท่านผู้เจริญข้าพเจ้าต้องขออภัยต่อท่านที่ได้เล่นละครกับท่านมาตลอดเวลาข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะบิดบังความจริงไว้โปรดหันมามองทางนี้วสุเทวะหันไปมองดูรอบๆตัวเพื่อจะดูว่ามีใครอยู่ในบริเวณนั้นหรือไม่ เมื่อแน่ใจว่าไม่มีจึงค่อยๆยกมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะปลดเอาผมปลอมอันลุมลังของปริภาชกออกเอาผ้าเช็ดขี่เท่าและสีสันที่เขียนไว้บนใบหน้าออกจนเผยให้เห็นหน้าตาอันแท้จริงของเขาข้าพเจ้าจ้องดูบุรุษคนใหม่ที่นั่งอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าด้วยความตกตะลึงแทบไม่เชื่อตาตนเองว่าสุดเทวปริภาชกจะกลับกลายมาเป็นบุรุษ ที่ข้าพเจ้ารู้จักคุณเคยเป็นอย่างดีได้ในชั่วพิปาเขาคือเทวะมิตะอุบาสกของข้าพเจ้านั่นเองท่านพูดเจริญเขากล่าวยิ้มยิ้มแล้วก้มกราบข้าพเจ้าเป็นครั้งแรกท่านคงจะประหลาดใจที่ได้ทราบว่าวาสุเทวะกลายมาเป็นเทวมิตร ข้าพเจ้าดีใจลึกเกินที่ได้พบกับท่านอีกหลังจากจากกันเป็นเวลาหลายเดือนข้าพเจ้าก็อยากจะพบท่านเป็นเวลานา น, านแล้วตั้งแต่ท่านจากไปข้าพเจ้าก็ตั้งตาคอยฟังข่าวจากท่านอยู่ทุกวันเพราะท่านได้ให้คำ ม, มั่นสัญญาไว้ว่าเมื่อได้ที่อยู่เป็นหลักแหล่งจะส่งคนมาแจ้งข่าวให้ทราบเพราะข้าพเจ้าเกิดสังหอนใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นในพระเวรุวรณาราม แต่เมื่อวันคืนผ่านไปไม่ได้รับข่าวจากท่านข้าพเจ้าก็เชื่อว่าท่านยังคงไม่ได้อยู่เป็นหลักแหล่งต่อมาเมื่อเกิดเหตุร้ายจริงดังคาดพระเทวทัตได้ยุยงให้เจ้าชายอาชาติศัตรูโปร่งพระชนพระบิดาเพื่อจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนขณะที่พระราชาธิบดีพิมพิสารกำลังถูกขังอยู่ในพันธนาคารนั้นเองข้าพเจ้าและมิตรสหายพร้อมถึงข้าราชบริพาร ดั้งเดิมบางคนก็ได้คบคิดกันจะช่วยพระองค์พระราชาธิบดีให้เป็นอิสราภาพกลับมาของราชตามเดิมแต่จะหกักโหมทําด้วยกําลังก็มีได้เพราะกําลังของเราน้อยจึงกระทํากันเป็นการลับเมื่อเราไม่สามารถจะช่วยองค์พระราชาธิบดีได้เราก็รวบรวมพลพักออกตั้งเป็นกองโจรคอยลังควานกองทัพหลวง ตั้งอยู่ตามนิคมชนบทต่างๆรอบกรุงราชเจคือบัดนี้เรากําลังต่อสู้อยู่และจะต้องต่อสู้ต่อไปจนกว่าจะประสบชัยชนะเทวมิตรอุบาสกยกเอาผมปลอมของปริพาชกขึ้นสวมและเอาฝุ่นทาหน้าตามเดิมแล้วทําไมท่านจริงปลอมตัวเป็นปริพาชกด้วยเล่าอุบาสกท่านผู้จเจริญข้าพเจ้าจําเป็นจะต้องปลอมตัวเป็นปริพาชก เพื่อความปลอดภัยเพราะข้าพเจ้าจําเป็นจะต้องเข้าไปสืบความเคลื่อนไหวของข้าศึกภายในกรุงราชครึ่เป็นครั้งคราวการท่องเที่ยวไปในรูปแบบของปริพาชกนี่แหละปลอดภัยที่สุดเพราะประชาชนไม่มีความระแวงสงสัยและให้ความเคารพนับถือเมื่อแปลงเพศเป็นปริพาชกแล้วข้าพเจ้าก็จําจเป็นต้องสร้างลทัทธิของตนขึ้นเพื่อโต้อตอบกับปริพาชกหรือนักพจศ ในศาสนาอื่นๆซึ่งมักจะได้พบปะสนทนากันอยู่เสมอลัทธิเสรีภาพสมบูรณ์ของข้าพเจ้าอย่างประทับใจให้แก่นักพจน์ในศาสนาอื่นๆเป็นอันมากบางคนถึงกับเลื่อมใสจะมอบตัวเป็นสาวกทีเดียวแต่ข้าพเจ้าก็ห้ามเสียทุกายเพราะไม่มีเจตนาจะตั้งตัวเป็นศาสดามีสาวกแวดล้อมเป็นที่อื้อเฉาอีกประการหนึ่ง การที่ข้าพเจ้าไม่ประกาศตัวเป็นสาวกขึ้นกับสังกัดาศาสดาองค์ใดหรือลทัทธิใดโดยเฉพาะก็เพราะไม่อยากให้าศาสดาหรือลัทธินั้นๆต้องมัวหมองไปกับข้าพเจ้าด้วย